นั่นก็หมายความว่าตำแหน่งฐา น, นะที่มีอยู่ก็จะต้องสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงอธิบดีหัวหน้ากองผู้อำนวยการบางคนก็เป็นมาผู้บัญชาการเหล่าทัพหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ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 พอตำรวจเรียกก็อ้างว่าเนี่ยเบ่งว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นใครกูเป็นใครเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินบ่อยนะคําพูดแบบเนี้รู้ไหมกูเป็นใครขนาดไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็ยังอมีคําเหล่านี้อันนี้เลยว่าไม่รู้จักวางหัวโขนในเมืองนอกนี่นะเขารู้กันนะขนาดเป็นรัฐมนตรี น, นะเวลาเสร็จงานนี่เขาก็เหมือนคนธรรมดาเวลาไปเดินเล่นในสวน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 หมายความว่าเสร็จงานแล้วคุณมาซื้อของคุณมาช้อปปิง้งเนี่ยคุณเป็นคนธรรมดานะคุณไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ปลรรัดกระทรวงจะมาอวดเบงเลือกพิสิตไม่ได้อันนี้เป็นเป็นมาตรฐานของสังคมที่เขาเจริญแล้วนะเขาก็ไม่ได้รับถือผุดนะแต่เขาก็รู้ว่าหัวโคนนี่นะมันต้องรู้จักวางแลนะไม่ใช่วางเอาตอนกเกษียณ น, นะ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 นะที่มีงานตลอดทั้งปีตั้งที่ไม่ใช่เป็นงานประจํำนะเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิทยากรระดับชาติแต่ว่ า, าค่อยเป็นคนที่หนะวีผมไม่ค่อยเรียบร้อยนะทุกเช้านี่ภรรยาก็จะทักว่าให้หวีผมให้เรียบร้อยหน่อยนี่วันนึ่งอารมณ์ก็คงไม่ดีมั้งแต่เช้านี่พอถูกภรรยาทักเรื่องหวีผมนี่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 แต่ว่าหลายคนนี่พ อ, อพอได้เป็นด็อกเตอร์นี่ก็แบกความเป็นด็อกเตอร์ไว้เวลาจะไปพูดแนะนำตัวเองก็จะอ้างก็จะพูดว่าฉันเป็นด็อกเตอร์อย่า ง, ง, น, งน้นอย่างนี้บางทีไปงานเลี้ยงของเพื่อ น, นี่ก็ยังแบกความเป็นด็อกเตอร์ไว้นะทั้งที่พอไปงานเลี้ยงแล้วนะมันก็มีแต่ความเป็นเพื่อนนะแต่บางคนยังแบกความเป็นด็อกเตอร์เวลาจะแนะนาตัวก็แนะนำว่าเป็นด็อกเตอร์ แนะนำในที่ต่างๆก็เป็นด็อกเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ภาพก็เป็นเงินเยอะนะจะเห็นมีมีพระหลายรูปเลยนะก็จะเอาคำว่าด็อกเตอร์นี่นะพ่วงไว้ข้างหน้าชื่อพระมหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พระมหานะอันนี้ไม่รู้นะว่ามันคือหัวโขนอย่างหนึ่งนะซึ่งอบางทีก็ไปไปแบกมันเอาไว้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 โอ้ท่านฉุนเลยนะทอานเด็กคนนี้มาว่าท่านอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านมีสติไวนะพอรวกมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะมั่นก็มีคาความคิดนึงผุดขึ้นมาในหัวท่านเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธเพอะได้คิดแบบนี้นี่ท่านความโกรธหายเลยนะท่านก็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 ถ้าหาว่าใช้ความเป็นพ่อแม่ไม่เป็นนะกบอกมาพูดอย่างนี้กูได้ยังไงกูเป็นพ่อเป็นแม่แต่ถ้าคิดอีกแบบนึกว่าเออมันพูดถูกนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่จริงเราต้องไม่โกรธนะอันนี้มันก็เตือนใจให้คลายความโกรธนะอันนี้เราใช้สมมุติเป็นเดี๋ยวนี้เราติดเราใช้กันไม่เป็นนะถูกมันใช้นะก็เลยติดยึดกันมาก คนที่เป็นพุก้ก็เกียรติชังอิสลามนะคนที่เป็นไทยก็เกียรติชังพม่าเกียรต ช, ชังโรฮินญาเนี่ยที่จริงเนี่ยมันเป็นสมมุติเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเกียรติชังแนละไม่เกิดความทุกข์พูดถึงสมมุติเนี่ยนะอย่างที่บอกนะไอ้ความเป็นความเป็นไทยเป็นพม่าเนี่ยก็สมมุติ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 หรือมีแต่ขันห้าการมองชีวิตว่าเป็นขันห้าหรือรูปนามเนี่ยมันคล้ายๆกับการมองของเครื่องเอ็กซเลส์นะเวลาเอาใครเข้าเครื่องเอ็กซเลส์นี่มันไม่สนใจเลยนะมันมองทะลุนะความเป็นสมมุติของผู้คนไม่ว่าจะสมมุติโดยเพศไม่ว่าสมมติโดยชาติโดยศาสนา จะเป็นคนรวยคนจนมันเห็นเหมือนกันหมดก็คือเห็นร่างกายที่ประกอบด้วยอวัยวะสามสบสองไอการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเราต้องมองให้เห็นถึงความจริงคล้ายๆทานองนั้นนะคือมองทะลุทะสมมุติจัวทั้งเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีสัตว์ไม่มีคนนะมันมีแต่รูปกับนามนะมีแต่ขันท่า จะเป็นนายกนายข อ, ขอก็อ ก, อก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันมีรูปแล้วก็มีนามอันนี้เรียกย่อๆแการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อได้เห็นความจริงนะขั้นพื้นฐานก็คือรูปกับนามนะสตินี่เป็นเป็นตาในนะเหมือนกับเหมือนกับตาเอ็กซเรย์นะสติเหมือนกับ ต, นะ ต, ตาในเป็นตาเอ็กซเรย์ที่ทำให้มองทะลุ ใอ้ความเป็นตัวกูนะซึ่งเป็นสมมุติแบบหนึ่งเนี่ยมองทะลุสมมุตินะจนท่าไปเห็นความจริงที่เป็นความจริงแท้นะคือรูปนามกายใจหรือว่าขันธ์าถ้ายังมองไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่ายังติดในสมมุติอยู่นะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เพราะมองไม่เห็นความจริงขั้นขั้นพื้นฐานนะก็เลยเห็นแต่สมมติเห็นเป็นในกอนในขอ ผู้หญิงผู้ชายนะไทยพมา่าพุทธคริสเนี่ยอันนี้เรียกว่ายังไม่ได้เห็นความจริงนะอย่างลึกซึ้งนล่ันก็เลยทำให้เกิดความแบ่งเขาแบ่งเราเกิดความทุกข์แต่พอเห็นความจริงในระดับพื้นฐานเนี่ยนะก็คือมันไม่มีอะไรเลยทุกคนเนี่ยไอ้ที่เหลือเป็นสมมุติแต่ความจริงคือรูป ก, กับนามกายกับใจหรือขันห้า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 พอเราติดสมมติเนี่ยทำให้เราไม่เห็นความจริงนะเคยได้ยินสำนวนที่เขาพูดไหมว่ า, ม อ, านะมองตุ๊กตามองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นยางจริงผ้าเนี่ยมันก็อยู่ต่อหน้าเราแต่คนเวลามอ ง, มองเนี่ยไม่เห็นผ้านะเห็นแต่เสื้อไอ้เสื้อนี่คือสมมติไอ้ผ้านี่คือวัตถุ ด, ดิบนะ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 ความเป็นคนไทยเป็นพุทธนะแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าว่า้สมมุติไม่สําคัญนะคนที่มีปัญญาก็เห็นทั้งสมมูลแล้วเห็นทั้งปรมัดด้วยนะแต่ว่าไม่ติดในสมมูลแล้วก็ไม่ได้คิดว่าสมมูลนี่มันเป็นความจริงขั้นสูงสุดปอเห็ความจริงขั้นปรมัตดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้อ่าไม่ไม่ถือเขาถือเราแล้วก็ไม่ยึดติดในสมมุติจกนกระทั่งเป็นทุกข์เมื่อสมมูลมันแตกเปลี่ยนไป